ขออน้อมคุณพระรัธนไตรแล้วก็ขอกราบเราวะ่าอาจารย์ทรงเสียนอาจารย์พัฒนาชัยแล้วก็เพื่อนสาธรรมมิกเจริญพรมายังพิสุณีเนนแล้วก็แม่ชีและญาติโยมทุกท่านนะครับพุที่กาจันทรหันแตมาไม่ได้เตรียมก็เอาอย่างนี้แล้วกันถือว่าทวนที่โยมปฏิบัติธรรมมาหลายวันแล้วก็ ฝึกขัดมาอย่างนี้ได้อหมโยมฟังไปแล้วฟังไปแล้วปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยได้ไหมถือว่าอาจมาก็จะพูดไปพร้อมกับที่โยมปฏิบัติธรรมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาสองสามวันนี้นะที่ปฏิบัติภาวนาด้วยมือ14จังหวะระหว่างนี้อาจามาก็จะลองทบทวนที่ได้ศึกษามาสักสองสวันนี้นะว่า อ่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้อ่ก็อย่างี้นะของเราเนี่ยที่วัดป่าสุขโตนี่เป็นสถาบันสติปัฏฐาน4นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ทั้งกายแล้วก็เวทนาจิตแล้วก็ธรรมเราอาศัยการเคลื่อนไหวมือ1ิบสจังหวะคือกายนี้เป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานเพื่อจะรู้ รู้เวทนาแล้วก็รู้ธรรมคดิขณะที่โยมอา่ายกมือขวาขึ้นแล้วก็ออ่มาแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นมือซ้ายต่างๆเนี่ยเราวางจิต ร, รู้อยู่กับกายตลอดใช่ไหมเนาะนี่คือการตามรู้อยู่กับกายสมมุติขณะที่รู้อยู่กับกายอยู่ตลอดเวลานี้ เกิดแวบไปคิดถึงหิวข้าวหรือว่าข้าวเมื่อเที่ยงนี้อร่อยอยากได้อีกนี่คือเราหลงไปใช่ไเนื้อหาที่หลงไปนี้เขาเรียกว่ากามใช่ไมเป็นเกี่ยวกับเรื่องอตาหูจมูกลิน้นกายหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเราก็ไปนต่นแล้าก็รู้รู้เราก็กลับมาทันที เราไม่ยกมือฟรีๆไปรู้กายเรารู้แล้วจิตเราหลงไปรู้ไปเรื่องราคะใช่ไะอันนี้เป็นกามราคาะชนิดหนึ่งรู้แล้วนะรู้จิตใช่ไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งเนาะคราวนี้อะ่ะเราก็กลับมารู้ที่กายรามบัสสิกมีสติกลับมาที่กายเนาะก็อยู่ที่มือตลอ ด, ลอดทั้งมือทั้งซ้ายที่ขึ้นไปสิบสี่จังหวะสักพักหนึ่งเรารู้การเคลื่อนไหวนี้เกิดหลงไปอืม ไม่พอใจคนคนนั้นหรือเรื่องนั้นหรือจากที่ทํางานมาระหว่างนี้ถ้าเกิดเพลินไปไม่เป็นไรรีบกลับมาแล้วรู้ว่าเราหลงไปแล้วนะหลงไปเรื่องโทสะใช่ไหมมีปฏิฆะเป็นโทสะนะมีถ้าเกิดคิดไปไกลก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปแก้เผ็ลหรืออะไรพวก น, นี้ก็ขอให้รู้ว่าอ่าเป็นโทสะแล้วกลับมาอยู่ที่กายเห็นไหมเนี่ยกายเราจะเป็นฐานตลอดในการรู้ จิตนะนี่คือการรู้จิตประการต่อมาถ้าเกิดเรารู้อยู่กับกายแล้วนะทํานานแล้วอะตึกหรือกลางวันเพิ่งฉันมาอิ่มอรู้สึกง่วงเนาะรู้สึกง่วงอ่าเราเราก็มีสติรู้ทันทีอ๋อเราล่วงไปนะหรืออาจจะพลอยหลับไปอันนี้เรียกว่ากดหู่หรือว่าจิตกดหู่นะก็กลับมารู้อยู่กับกายเหมือนเดิม อ่าขณะ น, นี้ก็ปฏิบัติต่ออ่าเกิดรู้สึกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายไปหมดเนาะอันนี้ก็ถ้าเรารู้ทันก็เป็ลว่าเรารู้ว่านี่คือฟุ้งซ่านละนะนี่เป็นการฟุงร้งซ่านไปคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่นี่คือรู้จิตที่ฟุง้งซ่านกลับมาอยู่ที่มอืออยู่ที่กายเหมือนเดิมเนาะกายเป็นฐานตลอดถูกไหมการเคลื่อนไหวของมือเราเป็นฐานตลอด เรารู้แล้วนะตะกี้เรารู้คราวนี้ปฏิบัติไปสักครู่หนึ่งอ่าเริ่มเสงี่งเสี่มันไม่เห็นได้เรื่องอะไรอันนี้เราก็รู้อีกล้วรู้ละเราเริ่มลังเลสงสัยสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ก็ไม่เป็นไรรีบกลับมาอยู่ที่กายเหมือนเดิมเนาะจะมายกตัวอย่างการหลงไปของทั้งห้าอย่างนี้คือประการแรกคือไปเรื่องกาม ไปเรื่องอาหารบ้างเอออยากไปดูหนังว่างวันนี้มีวเลอยากจะดูวาเล่ไทยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเข้ามาเนี่ยไปเรื่องตาหรืออยากจะฟังเพลงตอนช่วงนี้มีโปรแกรมเพลงอะไรต่างๆนี่เรียกว่าการฉันทะเนาะจิตเราเรารู้จิตแล้วว่ามีการฉันทะแล้วกลับมาเรากำลังละละสิ่งเหล่านี้หรือเรื่องการพยาบาทเบีดเบนที่เราโกรธนี่เราก็กำลังละอันที่สอง อันที่สาเราละการหดผูแตะกี้นี้ที่ลูวขงเหาเานอนอันที่สี่คือความฟุ้งซ่านล่าที่ห้าคือลังเลสงสัยทั้งหมดนี้เรียกว่านิวรห้านะนิวรห้านี่ที่เราละนี้นิวรณห้านี่เป็นอาหารของสิ่งที่เรียกว่าอาวิชชาที่จะทำให้เราไม่รู้สัจจะความเป็นจริงเพราะว่าเราหลงอยู่ในห้าอย่างนี้ตลอด พระเจ้าเลยให้เราอยู่กับกายนีย่ใช้กายเป็นพื้นฐานให้จับให้กลับเข้ามาอยู่ที่กายนี้นะรวมทั้งการเดินจงกรมด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องมืออย่างเดียวเราเดินจงกรมเนี่ยก็รู้เสมอว่าเรากำลังเดินอยู่ใช่ไหมที่เราก้าวเดินเนี่ยหลงไปถึงห้าอย่างนี้ห้าอย่างนี้จริงๆแล้วถ้ารวบเข้ามาง่ายๆก็คือราคะโธสักและโมหะนั่นเองนะราคะก็คือตะกี้ที่อธิบายไวยก้ก็คือการราคะนะนะั่นแหะ ที่เราหลงไปโทสะก็คือที่เมื่อตะกี้ที่พูดถึงในประการที่สองคือมีพยาบาทเบียดเบียนส่วนโมหะความหลงนี้ก็คือหดหู่บ้างฟุ้งซ่านบ้างแล้วก็ลังเลสงสัยนะคืออันเดียวกันราคาโทสะโมหะแต่ว่าราคาโทสะโมหะเนี่ยพูดแล้วมันก็เห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าใช้คําวันที่วอรห้าคือโอ้เราหลงไปเรื่องนั้นแล้วกลับมาอยู่ที่มือของเรากลับมาอยู่ที่การเดินจงกรมของเราเนะ ส่วนที่ว่ามันเป็นอาหารของอวิชชาเนี่ยอันนี้เรื่องยาวเอาไปว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ประเด็นต่อมาเรารู้จิตเนี่ยตะกี้เรารู้จิตใช่ไหมเรารู้กายอยู่แล้วพอเราหลงไปเราก็รู้จิตแล้ะใช่ไหมขณะเดียวกันธรรมะตะกี้ที่อธิบายให้ฟังห้าอย่างนั้นนะหรือราคาตูสัที่คือเรารู้ธรรมลนะใช่ไหมเราเรารู้ทั้งกายเวทนา อรู้ทั้งกายจิตและธรรมประเด็นที่สําคัญอีประเด็นหนึ่งเราละสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราละได้แล้วเรามีความสุขไหมหรือเราเสง็งไม่มีความสุขเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เนา ะ, ะเพราะอะไรลงมาเราละห้าอย่างที่ว่านิี่วอนห้าเนี่ยแล้วเราไม่มีความสุขเรากำลงังเรากำลังเดินบนหนทางเนฆัมมะ คือหลีกออกจากกามถูกไหมเราละสิ่งที่เราคิดไปเรื่องการต่างๆละพอเรารู้ระกลับมาอยู่ที่กายบ้างเราละพยาบาทเบียดเบียนต่างๆเรากลับมาอยู่ที่กายที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเนาะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่าที่กิดเนข่ข ม, มสุขจะต้องมีจะต้องเกิดขึ้นทำแล้วมีความสุขไหมสงบมีมีความสุขไหมมันตรงข้ามกับเราไปดูหนังเราไปเที่ยวเนี่ย อันนั้นเป็นความสุขเขาเรียกว่ากามสุขกามสุขกับเนคขั ม, มัสสุเนี่ยเป็นน้ํากับน้ํามันที่ไม่มีทางเข้ากันได้นะเนคขั ม, มัสแปลตรงตัวคือหลีกออกจากกามเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าโยมดีใจออเมื่อกี้เรารู้ทันละเราละเม่อกี้ที่เราละเรื่องที่เราหลงไปเออเรามีความสุขเราไวตามทันละเราตามทางจิตละเรามีความสุขนะมีความสุขมีปิติมีสุขเกิดขึ้น ไหมนะหรือว่าเราหลงไป เ, เรื่องพยาบาทบิดเบียน เ, เรากลับมาเรามีความสุขแล้วเ น, นื่อนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเนาะระหว่างสองเส้นทางนี้ก็คือเราปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขหรือไม่หรือว่าเราไม่มีความสุขะระหว่างการสุขกันได้ขมมสุขมันเป็นรางรถไฟที่ไม่มีทางที่จะมาเจอกันเพราะ โดยคำแปลของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากามสุขกับหลีกออกจากกามซึ่งเป็นเนขืขัมมสุขถูกไหมอืมแลนะยมแล้วม่าขณะที่ยมปฏิบัติธรรมอยู่นี่เนี่ยพอเรามีความศีกก็คือเราเริ่มเราปฏิบัติธรรมอยู่ที่ก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนาะ แต่มีธรรมอีกอันหนึงที่เราจะต้องรู้มากกว่านี้นิดนึงก็คือว่าพอเราละละอกุศลเหล่านั้นสังกัดแล้วจากการทั้งหลายสังกัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายก็คือเราเห็นการเกิดและการดับของธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเนาะหลงไปก็คือไปเกิดมีการเกิดตรงนั้นขึ้นเราละมาละมีการดับและเมื่ออยู่กับกายโอเค ถือว่าเป็นการเกิดเหมือนกันแล้วก็อยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ถ้าดับไปก็รู้ว่าดับไปหลงไปนะเห็นการเกิดการดับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เป็นอายะั า, า, าสีแต่ว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าถ้าเรารู้แต่การยกมืออย่างเดียวก็คือจะรู้แต่กายอย่างเดียวเนานะแล้วก็ จะตามจิตไม่ทันเมื่อเราเกิดภาวะจะต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราจะตามจิตทันนะไม่เกิดอาการสติแตกเกิดขึ้นหรือว่าเกิดอ ะ, อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราหลักงัดเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะตามจิตของเราทําไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เราภาวนาเท่านั้นเฉพาะช่วงที่เราใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราก็จะตามจิตของเราทัน อ่าจิตเราหลงไปแล้วนะเริ่มโกรธรู้แล้วโกรธกลับมาอยู่กับกายอะไรก็แล้วหนึ่งจะคลึงนิ้วหรือว่าจะอะไรในระหว่างนั้นที่เราอยู่นี้ทางานคราวนี้สิ่งที่โยมปฏิบัติมันไม่ใช่มีแค่สติปัฏฐานสี่เนาะมันมีมากกว่านั้นเยอะอแต่กี้มันมีกายเวทนาจิตธรรมที่โยมรู้ว่าสติปัฏฐานสี่การที่โยมปฏิบัติอยู่นี้เนี่ย โยมต้องอาศัยความเพียรเนาะความเพียรนี่ น, นี่เราละอกุศลตลอดถูกไหมระหว่างทางที่เราละอกุศลตลอดไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเราประคองจิตของเราให้อยู่กับกายนี้ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ละอกุสลไม่ไปเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันเราก็วางจิตให้เป็นกลางเนี่ยก็คืออกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราจิต มีกุศลที่เกิดขึ้นนี่กุศลก็เจริญงอกงามตรงนี้ก็คือสัมมปทานสีนะสัมมปทานสีสติปทานสีปาลารบแล้วสัมมปทานสีก็ปาลารบแล้วในในการนี้ในเวลาเดียวกันโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมมีฉันทะถูกไหมมีความมีฉันทะ มีไม่มีไม่รู้ถูกบังคับมาหรือเปล่าแต่มาไม่รู้แต่เข้าใจว่าโดยสันติฐานหรือสมมุติฐานทุกคนมีมีฉันทะแล้วก็โยมทุกคนก็ตั้งใจทําตั้งแต่ตีสี่จนถึงสามสี่ทุ่มมีความเพียรมีวิริยะจิตที่ประคองเหล่านี้ที่จิตประคองกันทํางานเหล่านี้เรียกว่านิจัดมีจิตประคองจิตเพื่อที่จะกระทําภาวนาเหล่านั้นแล้วก็ รักษาพยายามประคองรักษากระทำอยู่เรื่อยๆวิมังษาอันนี้คืออิทิบาสีถูกไหมทำเหล่านี้เกิดขึ้นปราลบขึ้นมาพร้อมๆกันสติปฐานสี่นะสามารถปทานสี่สามารถปทานคือความเพียร น, นะแล้วก็อิทิบาสีก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะต่อไปผู้ชงเจือผู้ชงเจือเนี่ย เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้องค์ธรรมเพื่อการตรัสรู้เป็นยังไงโยมมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสติสัมโพชฌงขณะที่โยมปฏิบัติธรรมโยมละอกุศลหน่วงกุศลขึ้นมาตลอดเนี่ยเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงมีการวิจัยธรรมรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยอ๋อตะกี้เราหลงไปเรื่องของกามล่คะหลงไปเรื่องพยาบาทเบียดเบียน นี่วิธรรมวิจยะสามพ่อชงประการอันที่สาก็คือมีวิยะสามพ่อชงก็คือมีความเพียรในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมนี้ประการต่อมาคือปัจจิสามพ่อชงเรานั้นจิตเราสงบกายเราก็สงบสองอย่างนี้สงบพร้อมกลลันป่าวลดไปพร้อมกันเรียกว่าปัสสทธิตสามพ่อชงต่อมาเรา เมื่อเราสามารถละอกุศลต่างๆได้ละความเหลงต่างๆได้จิตก็ตั้งมัน่นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสมาธิสำโพชฌงสิ่งที่ประการต่อมาก็คือเมื่อจิตเราตั้งมัน่นเราไม่หลงออกไปเนาะอ๋อมีอันหนึ่งก็คือพอเราสามารถอ่มอีก่อนที่จะมาถึงสมาธิสำโพชฌง การที่เราประทับปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เกิดปีติสามพชม่ชงเรามีความสุขมันไม่ใช่เป็นความสุขเกิดจากการลิ้มชิมดมแต่ว่าความสุขเกิดจากความสงบสงบที่ออกจากกามอันนี้เรียกว่าปีติสามโชม่ชงประการสุดท้ายเมื่อจิตของโยมตั้งมั่นสิ่งที่ปลาลบอยู่อย่างนั้นก็คือเราก็อยู่เฉยๆ อ, อ, อยู่ตรงนั้นปฏิบัติธรรมตรงนั้นไปเรียกว่าอุเบกขาสามโชม่ชงนะ อุเบกขาสามพโยนเรื่องสามพโยชบโยชงทั้ง7ประการก็ปลาลกขึ้นมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่โยมที่ปฏิบัติอยู่ที่วี่หรือโยมเดินจงกรมอยู่นะสิ่งสุดท้าย อ, าอิธิบาสสติปฐาน 4, สสา ม, มะปะฐาน4อิธิบาท4แล้วก็สามพโพชงเจใช่ไหมประการต่อมาก็คือ อริยมี อ, อริยมรตมี อ, องค์แปดโยมก็ป่าลบพร้อมพร้อมยังไงสำคัญมากเรื่องนี้การที่โยมมาเข้าคอร์สมาที่นี่หนึ่งมีศรัทธามีความศรัทธาเห็นเห็นว่าจะต้องหาทางสว่างหาสนทางในการทนทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งเริ่มต้นความเห็นชอบเนาะเรามีแล้ว ประการต่อมาโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่การถือสิงหแปดหรือว่าการปฏิบัติธรรมที่นี่ก็คือมีการดําริออกจากกามคือสัมมาสัมกันปะโยมก็ปลารลบแล้วประการต่อมาสัมมากัมปันตาการกระทําชอบการกระทําชอบก็คือไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์และไม่กระพฤติผิดพปกามเนาะถือว่าได้ปลารลบแล้ว วาจาชอบเข้ามาอยู่ในที่นี่เราก็ไม่ได้ใช้วาจาเราก็พยายามคิดแล้วก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประเสริฐใช่ไหมไม่โกหกไม่พูดเพ้อเจอไม่สอดเสียนะนี่ก็ปลาลบแล้วประการต่อมาอาชีวสามมาอาชีวะนะเราก็อยู่ด้วยการสามมาอาชีพก็ถือว่าปลาลบแล้วในการเข้ามาอยู่ที่นี่ประการสุดท้ายประการต่อมา วิยาสัมมาวิยะความเพียรชอบก็คือสัมมาวิยะก็คือเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปสัมบัติทานสติก็คือมีความเพียรมีความเพียรละตัุสนทั้งหลายแล้วก็มีความเพียรให้เกิดตุสนทั้งหลายเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าวิย า, าสัมมาวิยะก็ปราลบแล้วสัมมาสติ ก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองเป็นอันเดียวกันนะก็คือรู้กายวินาจิตธรรมมีความพอใจและอภิชาและโทมนัตทั้งมีความเพียปรปราลบของเพียรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกทั้งหลายออกไปก็คือละอภิชาและโทมนัตออกไปนี่คือสัมมาสติประการสุดท้ายเมื่อโยม ปฏิบัติธรรมจนจิตตั้งมั่นและอกุศลทั้งหลายละกาละกรรมสังกัดแล้วจากการมทั้งหลายสังกัดแล้วจากอากุศลทั้งหลายเพราะโยมละมิวอนด้านหาได้มีปีติสุขมีวิตกวิจาร์วิตกวิจารณ์ก็คือโยมละรู้ว่าเนี่ยเป็นการฉันทะละไปละมิวอนหได้นี่คือวิตกวิจารณก็คือธรรมวิจยะสามโพธิ์ชมที่กล่าวไปขั้นต้น ไม่ต้องไปจำำําคําอาตมาพูดให้เยอะๆอรอกนะแต่ว่าอาตมาจะบอกให้รู้ว่าเพียงแค่ยอมปฏิบัตินี่ทำอาตมาทิตติกิก่าว่าทั้งหมดใครนับได้บ้างว่าทั้งหมดกี่ประการอ่าสติปฐานสี่อิทธิบาทสี่สมปทานสี่สัมโพชงเจ็ดแล้วก็อริยมรรคโยงแปดทั้งหมดเรียกว่าสามสิบเจ็ประการที่โยมปลาลบพร้อมกันทั้งสาิเจ็ประการนี้ เรียกว่าโพธิปักกิยธรรมสามสิบเจ็ดนะเป็นธรรมเป็นไปเพื่อการตัดสุสรู้คราว น, นี้มันน่าจะมีมากกว่านั้นเนาะคำถามมีว่าใครปฏิบัติธรรมใครภาวนาคำถามไปลงว่าเราภาวนา ผมภาวนาฉันภาวนาเรามักจะเออมักจะคิดอย่างนี้ว่าฉันกำลังภาวนาเราภาวนาผมภาวนาเราเดินจงกรมฉันเดินจงกรมข้าพเจ้าเดินจงกรมก็คล้ายๆกับที่หลวงพ่อท่างเขียนได้สอนเราไว้ว่าให้รู้ซื่อ เหนไมไม่มีประธานของประโยคทั้งหมดนี้คือรู้ซื่อๆรู้ตามนั้นรู้ตามที่เรากล่าวรู้ตามนั้นก็คือไม่มีฉันภาวนาไม่มีฉันเดินจงกรมเนาะไม่มีเราเดินจงกรมไม่มีเราภาวนาเห็นสิ่งต่างๆตอนนั้นแต่ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นเราไม่ใข่ไปไม่เข้าไปเอาเป็นของเรา ยากนิดหนึ่งมะตรงนี้เราหลงอยู่ในโลอหลงอยู่ในโลกกันค่ข้างมากเพราะว่าประโยคภาษาที่เราที่ใช้ใช้กันนี่เราจับอย่างงุ้นเราจับอย่างนี้ของเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของเราแม้กระทั่งการภาวนาที่เป็นไปเพื่อการละกิเลสตัณหาก็ยังเริ่มต้นจากเราละติละตัณหาละกิเลส เราเป็นไปเพื่อการพ้นทุกเนาะก็ฝากไว้ไว้ในส่วนตรงนี้ว่ามันขณะที่เร า, าขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่นี่นี่เป็นไปได้การวางจิตโดยแยกคายระหว่างที่รู้กายเวทนาจิตและธรรมนี้เนี่ย จะวางอย่างไรไม่ให้เป็นเพียงแค่การรู้ซื่อๆรู้การรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ซื่อๆไม่ใช่เรารู้ซื่อๆเนาะไม่ใช่เราเห็นเราเป็นตรงนี้มีผลค่อนข้างมากต่อการปฏิบัติจะวางจิตให้แย่คลายอย่างไร โยมลองขณะที่ยมปฏิบัติธรรมลังสังเกตทุกครั้งที่หลงไปนะเรื่องอะไรก็ตามที่หลงไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเราเป็นตัวละคร อ, อยู่ในนั้นเราจะไปกินเราจะไปเที่ยวเรากินนี่มาอร่อยเราทำนู่นมาอร่อยหรือว่าเราอยากไปดูหนัง เราอยากไปนู่นไปนี่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกั บ, บที่โยมรู้กายนี้ที่รู้กายแล้วหลงไปจะเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีระหว่างหลงไปเรื่องนู้นเรื่องนั้นกับเราเนี่ยมีเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนาะอันเนี้ยลองสังเกตดูแล้วก็ตามให้ทันเนาะเวทนาจิตแล้วก็ทำด้วยว่าการเกิดการดับ เป็นยังไงกถือว่าทวนสั้นๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากอาลองทวนอีกทีเนาะทวนกลับไปอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อให้เข้าใจชัดเจนนิดนึงว่าหลงไปเนี่ยห้าเรื่องใหญ่เออคือการจะรู้เวทนาจิตและธรรมอยู่กับกายเนี่ยหลงไปห้าเรื่องใหญ่ก็คือหลงไป การฉันทะนะการในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเซ็กนะพอเข้าใจใช่ไหมการในที่นี้คือการฉันทะก็คือไปเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสกายสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงเรื่องนี้ก็ตามเรื่อง อ, อะไรก็ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหรืออันประการต่อมาคือพยาบาทเบียดเบียนหลงไปเรื่องความขุ่นมัวในใจเจ้านายตำหน่งงานไม่สําเร็จเพื่อนแกล้งหรืออะไรนะ ก็ประการที่สองคือเรื่องนี้รู้ว่าเป็นอันนี้แล้วก็กลับมาเนาะอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือหรือเดิมจงกรมแลนะประการที่สาก็คือเตงนหดหูง่วงนะนี่ก็เป็นประการที่สามที่หลงไปรู้แล้วก็กลับมาที่กายหรือเดินจงกรมประการที่4ี่ก็คือคิดไปนู่นคิดไปนี่จะนู่นจะนี่ไปเลื่อยเปื่อย นะอันนี้คือฟุ้งซ่านล้กลับมาอยู่ที่กายนะประการสุดท้ายคือความบังเลยญสงสัยตรงนี้ชัดไม่ต้องไม่ต้องแปลตีความมากทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าทั้งห้าอย่างสรุปลวกเป็นราคะโธสังโมหะนี่แปลว่ามันไม่ชัดจริงๆราคะเนี่ยมันมีที่หละเอียดกว่านี้แต่ตะกี้ที่อธิบายถึงแค่กามราคะเนาะเพราะว่าเราก็คงอยู่เพียงขั้นนี้เรายังไม่ไปถึงเรื่องถึงที่เป็นรูปปาลาคะและอรูปปาลาคะ ซึ่งเราก็คงไม่ไปคล้องเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้นแล้วก็ห้าอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์ห้านะให้สําคัญให้จําความสําคัญเอาไว้ว่านิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาอาวิชชาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่รู้นะอ่าแปลว่าไม่รู้ถูกแล้วแต่ไม่ได้หมายความเพียงแค่ไม่รู้นิดๆแค่นั้นเองอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุของการทําให้เวียนว่ายใจเกิดอยู่ในวัฏสงสาร นะไม่มีทางที่จะได้สู่สิส่งที่นิพพานไดนะ้ห้าอย่างนี้ถ้าเราละนะวิชาเหล่านี้ได้เราก็จะมีวิชาจะมียังไงรอบหน้ามาสุขโตใหม่นะเดี๋ยวพวกเถระเขาจะอธิบายฝันงอาตมาก็ยังตอบไปได้ตอนนี้เพราะว่าเวลามันไม่มีระลับนะเรื่องนี้เรื่องยาวแต่ขอให้รู้ว่าห้าประการนี้สาคัญมาก รู้แล้วก็ละกลับมาอยู่ที่กายไม่ว่าวันนี้อยู่ที่สุขโตและกลับไปที่ทํางานก็พยายามให้รู้อย่างนี้เอาไว้รู้ทันกายไว้แตอย่ายกมือไปฟรีๆนะอย่าเดินไปฟรีๆให้รู้อยู่ตลอดเวลากับสิ่งนี้แล้วก็รู้ซื่อๆนะเห็นแต่ไม่เป็นไม่ใช่เรารู้นะรู้เป็นงั้นน่ะรู้รู้นั้นไม่มีเรารู้ทํายาก รู้เข้าใจว่าทำยากแต่ว่าก็มาบ่อยๆเดี๋ยวทำได้เองที่สุกโตฝน ก, ก็ตกต่อมาก็คงกล่าวเพียงเท่งนี้ก็ขออนุโมทนาให้ญาติโยมทุกท่านเนาะขอให้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ผลประจักษ์แก่ตนให้ตนเองเนี่ยเป็นสกีพยานแก่ธรรมทั้งหมดเหล่านี้ ขอขอให้ทุกท่านสามารถเทียบมีดวงตาเห็นธรรมในเร็ววันทุกท่านเือน